ثم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه و الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون بالآخرة จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพัวพวกเจ้าจงนำบรรดาพยานของพวกเจ้ามาเพื่อจะยืนยันว่าแท้จริงอหรอได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเป็นพยานยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับเขา และอย่าตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราและบรรดาผู้ที่ไม่สัทธาต่อประโลกโดยที่พวกเขาให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระพูดอิิบาลของพวกเขากุลต่าาลาวอัตลมาหรรมรับบุคุม كم, อาลัยคุมอัลลาตุชริคูบิฮีใช้อัววบิลวาลิได้นิอ حسان า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 ว่าพวกเจ้าจงมากันเถิดฉันจะอ่านให้ฟังสิ่งที่พระผู้อบิบาลของพวกเจ้าได้ห้ามแก่พวกเจ้าคือจงอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพาขี่กับพ่งและจงทำดีแก่บิดามารดาและอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากความจดุดเราเป็นผู้ให้ปัจจัยอยางชีพแก่พวกเจ้าแล้วแก่พวกเขาด้วยและจงอย่าเข้าใกล้สิ่งชั่วช้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ไม่เปิดเผยและจงอย่าฆ่าชีวิตที่เาล่อสรงห้ามไวนอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้นนั่นแหละคือที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตบบอิุด และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพรา้านอกจากด้วยวิธีทางที่ดียิ่ง จนกว่าพวกเขาจะบรรลุนิติภาวะและจงให้เต็มเครื่องตวและเครื่องช่างด้วยความเที่ยงตรงเราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากว่าชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นและเมื่อพวกเจ้าพูดก็จงพูดด้วยความยุติธรรมและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดก็ตามและต่อสัญญาของอัลลอ์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วนนั่นแหละที่พรองค์ ทรงงสสัั่่เียมนไถ้าจริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรง พวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามหลายหลายทางเพราะมันจะเป็นเหตุให้พวกเจ้านั้นแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยังเกรดดูม์าตนามูซลคิตาบตมามันลลี่อสวทกซลัคุลลิช แล้วเราได้ประทานคำผีให้แก่มูซาเพื่อครบทวนแก่พูดที่ทำดีและเป็นการแจกแจงให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา เพื่อพวกเขาจะได้สัถาต่อการพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาุาาา و و นี่แหละคือคํัมภีร์ที่มีความจำเริึกซึ่งเราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าจงปฏิบัติตามคัมภีร์นั้นและจงยำเกรนเธอ ไื่เช่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา إن أن ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงคำภีได้ถูกประทานลงมา มาให้แก่สองกลุ่มก่อนหน้าพวกเราเท่านั้นและแท้จริงพวกเราไม่รู้เรื่องการอ่านของพวกเขาเอาตะกูลูลวอันนอน ز ิลอลัยนลคิตาบละคุนนาอัฒดามินหุมฟะกดจ اء อคุมบายนตุมมิรรบบิคุมวะหุดวงวราหมะ من من ب ب หรือไม่ก็พวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นหากได้มีคำพีถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุ่นทาง ในทางนําที่ดียิ่งกว่าพวกเขาแท้จริงหลักฐานอันชัดแจ้งทางนําและความเมตตานั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นใครเล่าคือผู้ที่อารรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธบดดาองคการของเราและผินหลังให้แก่องค์การเหล่านั้นเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ผินหลังให้แก่องค์การทั้งหลายของเราด้วยการลงโทษอันเลวร้าย เนื่องจากการที่พวกเขาผินหลังไง อมิลรรุพวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรนอกจากการที่มาลัยกาจะมาอย่างพวกเขาหรือการที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาหรือการที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมา วันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมานั้นจะไม่ยังประโยชน์แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดซึ่งการศรัทธาของเขาโดยที่เขาไม่ได้ศรัทธามาก่อนหรือไม่ได้สแสวงหาความดีใดๆไว้ในการศรัทธาของเขาจงกล่าวเถิดมูมัดว่าพวกเจ้าจงรอกันเถิดแท้จริงพวกเราก็เป็นผู้ที่รอคอย แท้จริงบรรดาผู้ที่แบ่งแยกาศาสนาของพวกเขาและพวกเขาได้ทำให้แยกเป็นนิกายต่างๆนั้นเจ้ามูฮัมหมัด หาจะอยู่ในพวกเขาแต่อย่างใดไม่แท้จริงเรื่องราวของพวกเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลลอะ์และพระองค์จะทรงแจ้งให้แก่พวกเขาทราบในสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันไว ผู้ใดที่นำความดีมาเขาก็จะรับสิบเท่าของความดีนั้นและผู้ใดที่นำความชั่วมาเขาก็จะไม่ถูกตอบแทนนอกจากเท่ากับความชั่วนั้นโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาถรรพ ช่องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงนั้นพระพุ้ิบากของฉันได้แนะนำฉันไปสู่ทางอันเที่ยงตรงเป็นศาสนาที่แท้อันเป็นแนวทางของอิบราฮิม ผู้ใฝ่หาความจริงแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาคี่ต่อหรอกทุกระ า, า, า, าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและการเชื้อดสัตว์ผลีของฉันและการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลล์ผู้เป็นพระผู้อวิบาล ห่งสาานนลละโลกเทั้ไม่มีภาคีใดๆสำหรับรงและด้วยสิ่งนั้นแหละที่ฉันถูกใจและฉันคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลายลอไม่ و و จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอื่นจากอละลกระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาพระผู้อภิบาล ท, ท, ทั้งๆที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่ง และแต่ละชีวิตนั้นจะไม่สแสวงหาสิ่งใดนอกจากจะเป็นภาระแก่ชีวิตนั้นเองเท่านั้นและไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกภาระของผู้อื่นได้แล้วอย่างพระผู้บานของพวกเจ้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไปและพระองค์จะส่งแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกั น, น และพระองค์นั้นคือผู้ที่ส่งให้พวกเจ้าเป็นผู้แทนในแผ่นดินและได้ส่งเทิดบางคนในหมู่พวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้น เพื่อที่พระองค์จะส่งทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้บิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้รวดเร็วในการหลวงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสมร